สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิยาพิบาลนะครับเราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่ห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเรื่องการเป็นเครื่องหมายความตายโปร่งทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆพี่น้องครับหลักฐานทางเอกสารที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับพระชนชีพและพระราชกิจของพระเยซูนั้นหลายคนที่ไม่เชื่อนะครับก็พากันเขียนนะครับทําให้คนอ่านเนี้ยรู้สึกว่า เปเยซูนั้นไม่ได้ใช้ชีวิตทําความดีสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่พระองค์เนี่ยทําตัวเป็นผู้ก่อกวนคนที่สร้างม็อบแล้วก็เป็นผู้ที่ทําให้สังคมนั้นไม่สงบถ้าเรามองในแง่นี้นะครับเราเห็นว่าคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อในพระเยซูพยายามที่จะ discredit เปเยซูพยายามที่จะทำลายชื่อเสียงและความเชื่อของคริสเตียนอย่างรุนแรงแต่ปรากฏว่า ไม่สามารถที่จะทำได้ครับแม้ว่าคนที่มีอิทธิพลนะครับระดับเจ้าเมืองระดับกษัตริย์เฮโรธหรือแม้กระทั่งพวกปุโรหิตธรรมจารทั้งหลายก็ไม่สามารถทำลายพระเยซูได้พีองครับถ้าเรากลับไปดูนักปราดกรีบคนหนึ่งนะครับนักปราดกรีบคนนี้ชื่อว่าโซเครติสโซเครติสเนี่ยนะครับมีชีวิตที่ คล้ายกับพระเยซูในแง่ที่ว่าทั้งสองคนนะครับก็ถูกฆ่าตายนะครับแต่ว่าพระเยซูนั้นถูกฆ่าตายเพราะเหตุที่ว่าพระองค์ต้องการให้ผู้คนจะ recognize หรือจะรู้จักพระเยซูว่าพระองค์เป็นใครในขณะที่โซเครติสนะครับก็ก่อความโกรธเกรี้ยวกับคนร่วมสมัยหรือเป็นคนที่ก่อกวนนะครับจน ถูกฆ่าในที่สุดความแตกต่างก็คือโซครติสนั้นเล่นบทนะครับที่คอยกัดคอยแทะคนเอเธนก็คือจี้นะครับจี้ให้ผู้ฟังเขานั้นรู้จักตัวเองใช้วิจารณญานใช้ปัญญาพินิษวิเคราะห์ชีวิตที่บกพร่องของตัวเองแต่พระเยซูนะครับโร่งชงสร้างความไม่พอใจ กับคนร่วมสมัยโดยผลักดันให้เขาทําความเข้าใจในท่าทีที่เขามีต่อพระองค์เป็นส่วนบุคคลนั่นหมายความว่าถ้าว่าใครก็ตามที่มีความเข้าใจพระเยซูและรู้จักพระเยซูเป็นส่วนตัวพวกเขาก็จะต้องตอบสนองนะครับเหมือนกับพวกเราครับเราคิดยังไงเรื่องการเป็นขณีความตายของพระเยซูคิดยังไงเรื่องพระเยซูเป็นพระคริสต์นะครับทรงเป็นเชื้อสายของใครนี่นะครับเป็นสิ่งที่พระเยซู เคยถามเคยถามสาวกขณะที่พวงอยู่ในโลกนี้และในทุกวันนี้เราเองต้องตอบครับเปเยซูก็ถามเราเช่นกันครับว่าท่านคิดว่าเราเป็นใครพี่น้องครับพระเยซูบอกชัดเจนใช่ไหมครับในพระธรรมยอห์นบทที่สี่ข้อหกเปียเสบอกชัดเจนว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตนะครับอัครทูตเปาโลแต่เดิมนั้นเขายังไม่ประสบ กับการเป็นขึ้นในความตายของพระเยซูยังไม่รู้จักพระเยซูแต่หลังจากที่เขารู้จักพระเยซูแล้วนะครับท่านเปาโลเขียนว่าพระเยซูนะครับถูกบ่งไว้ด้วยฤทธานุภาพคือการเป็นขี้นใความตายนะครับบ่งไว้ว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าอันนี้อยู่ในโรมาที่หนึ่งข้อสีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับทําให้เรามั่นใจว่าพระเยซูเป็นใครนะครับหลักฐานชิ้นที่สําคัญก็คือว่า อุโมงของพระองค์นั้นว่างเปล่าในขณะที่อุโมงของาศาสนาศาสนาอื่นๆนั้นไม่ว่างเปล่าครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องพิจารณาหลักฐานต่างๆที่นําเสนอมานะครับนับสิบวันที่ผ่านมานี้นะครับเราต้องพิจารณาพยาหลักฐานต่างๆและเชื่อนะครับด้วยการตัดสินใจของเรา นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจและเพื่อการปรานนทตัวของพวกเราทั้งหลายทุกคนพี่น้องครับอาจจะมีบางคนนะครับที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องความการเป็นขั้นรื่อความตายของพระเยซูหรืออาจจะมีบางคนที่ยังไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูเป็นการส่วนตัวยังถือศาสนาเหมือนกับเปลือกนอกนะครับศา ส, สนาเป็นแค่พิธีพี่น้องครับ เราจะต้องแน่ใจว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นเหความตายจริงๆครับนะครับเราศึกษาทางประวัติศาสตร์มาแล้วนะครับเราศึกษาเรื่องทฤษฎีต่างๆที่เขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพระเยซูเป็นเป็นขึ้นมีความตายมาแล้วพี่น้องครับในวันนี้นะครับผมจะเริ่มต้นที่จะบอกกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์และสภาวะแวดล้อมทั้งก่อนที่พระเยซูเส้นพชนและพระเยซูเป็นขึ้นเหความตายคืนพชน นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเที่นั่นครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องล่วงหน้าว่าชีวิตพระเยซูนะครับที่แผนไว้ก็มีหกร้อยตอนด้วยกันนะครับและคิดว่าอีกสามสิบตอนที่เหลือนี้จะเป็นสามสิบตอนที่พี่น้องจะได้มั่นใจครับว่าพระเยซูทรงเส้นพระชนอย่างไรพระเยซูรับความทุกข์ทรมานเจ็บปวดอย่างไรจนกระทั่งพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ นะครับเป็นขั้นอยู่ความตายแล้วเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ก็จะเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของพวกเรานะครับในเช้าวันนี้ครับผมจะขอกลับมาที่พระเยซูสิ้นพระชนนี่คือเหตุการณ์ก่อนที่เป็นขั้นอยู่ความตายนะครับมารกโกบันทึกอย่างนี้ครับว่าปีลาสปรารถนาจะเอาใจประชาชนก็ให้ปล่อยบาลนาบัสพวกเราทราบใช่ไหมครับและเรารู้ว่าขณะที่พระเยซูนั้นถูกโบยตีหลังจากนั้นเขาเอาเสื้อสีม่วงมาสวม เอาน้ําสารเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระองค์แล้วก็พูดกับพระเยซูด้วยการย่อเย้ยว่ากษัตริย์ของพวกยิวเจ้าค่ะขอจงทรงพระเจริญก้าวไม้อ่อตีพระเศียรของพระองค์ถมน้ําลายลดพรงคุกเข่าลงน้ำมศการพระองค์ย่อเย้ยพระองค์แล้วก็ถอดผ้าสีม่วงออกเอาฉลองพระองค์สวมให้และนํำพระองค์ออกไปเพื่อจะตรึงเสียที่กางเขนอยู่ในพระธรรมมรรกบทที่สิบห้าข้อสิบห้าถึงยี่สิบนะครับ เพียงครับนักวิชาการในสมัยก่อนได้ศึกษาเรื่องของการโบยตีนะครับก่อนที่จะตรึงนักโทษไว้ที่ไม้ตเขีนนั้นเขาให้คําอธิบายอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเริ่มแรกนั้นนักโทษปรหารจะถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้าแล้วก็มัดไว้กับเสานะครับในศาล mm hmm. พนัก ง, งานโบยหรือผู้ติดตามผู้พักษาโรมันก็จะโบยจะเคี่ยนอย่างโหดร้ายนะครับช mm hmm. าวยูวนั้นได้กําหนดนะครับว่าห้ามเคี่ยนเกินสี่สี่สิบที ก็คือได้แค่สามสิบเก้าแต่กฎหมายของโรมันนะครับไม่กําหนดขอบเขตครับไม่มีการยับยั้งไม่มีการยั่งนะครับนะแล้วแต่ความกรุณาของผู้โบยอีกประการหนึ่งก็คือว่าแส้ที่ใช้โบยนั้นมีชิ้นกระดูกหรือโลหะชิ้นยาวฝังไว้ที่ปลายแส้นะครับปลายแส้แต่ละเส้นนะครับก็จะกรีดเฉือนเนื้อนหนังนะครับจนเป็นแผลช่กันนักประวัติศาสตร์ในครจักรศตวรรษที่สมนะครับพูดถึงเรื่องของการโบยตีนักโทษแบบ โรมันนะครับซึ่งไว้สำหรับนักโทษประหารเนี่ยนะครับเขาเขียนว่าอย่างนี้ครับเาบอกว่าสามารถที่จะคิดได้ว่านะครับพระเยซูถูกโบยตรีรุนแรงกว่าที่โบยกันทาตามธรรมดาเพราะปีลาตนั้นจริงๆเขาไม่มีผู้ติดตามที่รับหน้าที่โบยครับปีลาตก็เลยให้ทหารโรมันทำหน้าที่นี้แทนเพียงครับจากอุปนิสัยนะครับของพวกทหารเนี่ยที่เป็น บางคนก็เป็นทหารรับจ้างนะครับบางคนก็มีนิสัยที่ไม่ดีนะครับต่ำช้าสามานพอจะสรุปได้ครับว่าพวกนี้ทำทารุณกับพระเยซูมากครับไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับเมื่อเขาย่อเย้ยพระเยซูเขาก็ถอดเสื้อของพระองค์นะครับและเอาฉลองพระองค์สวมให้เพื่อที่จะนาพระองค์ออกไปตึงที่กางเขนพี่น้องคิดดูนะครับว่าการสวมและถอดเสื้ออย่างรุนแรงหยาบคายนะครับ ย่อมกระทบกระแทกกับร้อยแผลเคี่ยนของพระเยซูทำให้พระเยซูนั้นเจ็บปวดนะครับทรมานแสนสาหัสและเขาได้พาพระเยซูมาถึงตำบลหนึ่งชื่อกรอโคตาชี้ให้เห็นชัดนะครับว่าพระเยซูไม่สามารถจะเดินได้อย่างปกตินะครับตุกอาจจะต้องถูกคนหิ้วปีกกลับไปที่ลานทหารนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วพระเยซูก็ไม่สามารถแ บ, บกกางเขน ของพระองค์ใช่ไหมครับมีการเกณฑ์นะฮะให้คนมาแบกบฉะนั้นการทรมานก่อนถูกตรึงนะครับก็ทำให้พระเยซูนั้นสิ้นพระชนเปร็วขึ้นมารโกบรรยายครับว่าเขาพาพระเยซูมาถึงตำบลหนึ่งชื่อโกลโกธาพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับพวกเราได้ยินกันมาโดยตลอดในชุดทุกครั้งของเทศกาลอีสเตอร์ Easter, นะครับ เรารู้ครับว่าคนที่ถูกตึงบนกางเขนต้องทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดมากนะครับคำว่าไม้กางเขนชาวโรมันนั้นก็ยังไม่ค่อยอยากจะนึกถึงอยากจะเห็นไม่ค่อยอยากจะได้ยินเพราะอะไรครับเพราะว่าทรมานแสนสาหัสนะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูกระทำให้หเรานะฮะเวลาที่พระเยซูเคลื่อนไหวบนไม้เขน ท, ทุกทุกท่านะครับ ที่ผิดธรรมชาติก็จะเจ็บปวดครับเส้นเลือดที่แตกเส้นเอ็นที่บอบช้ำก็จะสั่นกระตุกครับด้วยความเจ็บปวดทรมานตลอดเวลานะแผลที่อักเสบนะครับก็จะบวมแล้วก็กลายเป็นเนื้อตายเช่นโลหิตแดงที่สีสะที่ถูกหนามตามอยู่ครับก็จะบวมทำให้ใบหน้าของโปรงนั้นก็จนแล้ ว, ว่าท่านพี่บอกว่า จนคนธรรมดาทนมองดูไม่ได้นี่คือสิ่งที่พระเยซูได้กระทำเพื่อเราทั้งหลายทุกคนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมอยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทาเพื่อเราและถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรเพื่อพระ อ, องค์บ้างอาเมน